นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมะธัมมังธัมมงนะมัสสาอิโตุปปางเเพจังธัมโมสุัพโตเอาใจเดินทุกคนอาพุทธิัทั้งหลายทั้งุสมณ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 มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ต้นและประโยชน์โลกคนอื่นเสมอไปอสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทำไมไม่ถึงสบายใจสบายใจเพราะว่า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 ดังนั้นวันนี้ก็จึงขออนุญาตญาตโยมทั้งหลายจะขอพูดไปตามความจริง<ม>เทศไปตามความรู้สึก<ม>เทศไปตามความรู้สึกเพราะว่าในเวลานี้ก็สุขภาพอาตมาปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สุขภาพไม่คดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันขาดไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็พอที่เราอยู่ได้สมันก็เรียกว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้สังขารมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมาเรียนเรียนเรียนรู้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งมีความสบายมันจะเก็บมันจะไข้มันจะเป็นอะไรต่างๆไปก็มีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมัน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 อันนี้มันก็จริงเหมือนกันใส่เดือนมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นขีดินอันนี้ตรงมันกันฉันนั้นอันนี้ทางเรากราบทางเราไหวาทางเราศาสตร์พยายธรรมะองค์สมเด็จตระสมาสัรมุติเจ้าของเรานั้นก็ยังไม่ยอมรับธรรมะของท่านไวในใจอันนี้เป็นความจริงไอ้ธรรมะ เมื่อเราฟังแล้วนะไม่ใช่เราบรรลุทีเดียวนะไม่ใช่ันรู้ทีเดียวเปรียบไปฟังง่ายๆธรรมะนี้เหมือนกันกันกบผลไม้วางอย่างซึ่งเราไปบ้านญาติบ้านเพื่อนนิดนธ์ได้เขาเอาผลไม้ฝากเราเอาผลไม้ฝาก เราก็เพิ่งหยิบเอาผลไม้ไปในมือของเรานั้นนะทฉะนั้นเน่ยไม่ใช่ว่ามันรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้ฝาดรู้อะไรต่างๆไม่รู้แต่ว่าจับผลไม้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้รสของผลไม้ก่อนที่จะรู้รสของผลไม้นะั้จะต้องเอาผลไม้นะั้นมาทาน มากินมาขบมาเที่ยวจพงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันมีรสชาติต่างๆตามสัญญาของเราธรรมะนี้ก็เหมือนกันแขนั้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านให้เอาตนเป็นพยานของตนไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นพยานเรื่องของคนอื่นนั่นจรถินได้ยากลาบาก เพราะเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องของเราแล้วเนี่ยมันง่ายที่สุดและตัดสินยานี้ก็ได้ก็เพราะความจริงมันอยู่กับเราเพราะมีเราเป็นกัจจานธรรมานี้ก็เหมือนกันแฉน้นเมื่อเราฟังแล้วจะต้องเอามาภาวนาให้มันเป็นศาสนาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวสศาสนา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 ตามสัญญาให้กันฟังไม่พูดความจริงใจให้ฟังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะไม่สอดส่องถึงธรรมะรู้ธรรมะเรียนธรรมะแลีวปฏิบัติธรรมะเดี๋ยว ก, ก็เห็นธรรมะทั้งสามสี่อย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์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 นี่ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบตามทางพธธาธาุทธศาสนาอัตมาเคยได้ผ่านมาหลายอย่างเรื่องปฏิบัตินั้นเช่นว่าอุมาศอุบาสิกาเรานั้นอสอนธรรมะให้สอนสินผู้ง่ายสอนสิน่า ปานาอจินาการมีมุสาสุระท่านไม่ค่อยยอมรับกันกลัวเราให้ศิลเนี่ยมาขอกับเราอีกขอก่อนเถิดขอก่อนเถิดขอด้วยอาจจะมากกว่ามนึกเอ้ยไอ้มันกลัวเราจะดีจร่ะกลัวเราจะได้ของดีนี่ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นความจริงไอความจป็งจริงเนี่ยน่ะมันโทษมันท้งนั้นนะไอศิลทั้งห้าประการนั่น ที่เราให้ไปแลกวก็ยังบอกไปยังขออีกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขอให้ น, น, นานๆขอเอาความชั่วไว้ขอเอาความผิดไว้ขอเอาอะไรความยุ่งยากไว้หลายอย่างซึ่งเราทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงสังถินอัตมาเคยเด็ดพบลูกจิต ท, ทางชาวตะวันตก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 <c oughs> โดยมากเป็นโยมผู้หญิงฝรั่งมาถามด้ว อ, อัตมาว่าไม่รู้เรื่องไปถามขานนเขาหน่อยดีกว่าคือปัญหานี่มันหน่ะมันหนักแต่แล้วเขาจะมาให้กินเนื้อล่นเนี่ยแต่เราพอกันว่าเนื้อนี่มันเป็นโทษสัตว์นี่มันเป็นโทษห้ามกันฝังๆไม่ได้ยินนะอันนี้คือชาวตะวันตกชอบเป็นอย่างนี้โดยมากเขาชอบฉันเจกันหรือไม่เจ ก, ก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์กัน ไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี้เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทยเรา เ, เ, เห็นพักเห็นเนเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพอง้ะมือสูงกว่าสิงทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นอาตมากเเ็ได้แก้อาหารแก้ปัญหานี่เป็นฟงางๆไปโย ม, อมเอาขนาดนั้นเถิดเดือ คนอื่นฆ่าแล้วกินกันไม่ได้เลยลองเท้าของโยมเนี่ยใส่มาทำไมหนอหนังสัตว์นี่ฝากมีดเน่ยเนี่ยรับมีดกันอืมกระเป๋าสตางค์นี่ยเนี่ ย, น ย, น ย, นยหนังสัตว์ทั้งนั้นแหละจะมากแก้เกลือกปนไปทั้งนั้นหลยก็ไม่มีอะไร น, นี่ก็ส่งเสืออมีเขาทำเหมือ น, น, น, นกันไอความไปริงกระบมาทางว่ะ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 อันนี้มันไปกันซะอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นอาตมาเห็นว่ามันพูดกันไปไปมามาย่ํายีกันอยู่นั่นเนี่ยมันเร่หลงทางใชจะเอาจริงก็ไม่เอาจะเอาจังก็ไม่เอาก็อยู่กันอย่างนั้นนี่มันก็เลยเป็นของลำบากอยู่ฉะนั้นฝ่ายพระภิกษุสามเณรพวกเราทั้งหลายนี้ก็มันตัดถ้าพูดเนี่ยมันขัดนะมันขัดใจคน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 ทำความผิดให้มันหมดไอ้ความถูกมันจะเกิดขึ้นมาทำความชั่วให้มันหมดไอ้ความดีมันจะเกิดขึ้นมาทิ่งทั้งหลายที่พูดมานี้เราจะดูดูการงานของเราก็แล้วกันอนะอย่างบ้านเรา น, นั่นน่ะมันส ก, กรปรกมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมไปต้องดูไกลแล้วถ้าเราเอาไม่กวาดมากวาดเดี๋ยวก็เช็ดสกรปรกออกมันก็สะอาดนะี่ ทำไมไมันจึงสะอาดแล้วเพราะความสุกโปรกมันหายไปบ้านเราก็สะอาดนี่ธรรมะง่ายๆ่าอไอ้ความผิดทั้งหลายไม่หมดไอ้ความถูกมันโกเกิดขึ้นไม่ไดม้มันเป็นเรื่องของง่ายง่ายแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกัน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 เมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้ามกบโกโรธให้ก็โ ก, โกโรธโดยว่ากรรมทานะเคยพูดมากแต่ว่าคน โ, โรธสรรมทานะนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะสงสารที่สุดเพราะว่าพระเนรนี้ตัวอาตมาเองเน่นะ เมื่อบวชในพุทธศาสนาแล้วก็หาพยายามหาดีๆที่จะป้องกันแนะนํารรมสอนญาติโยมเพราะทําไมประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์ถ้าพรุทธเจ้าส อ, สอนอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยญาติโยมอืที่อยู่ที่อาศัยการขบการฉันทุกประเภทจะต้องอาศัยญาติโยมเมื่ออาศัยญาติโยม จะต้องสงเคราะหา์ญาติโยมในทางที่มันถูกไอ้ความถูกความผิดนี่อย่าม่เห็นกันสิเนี่ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการขัดไปได้อย่าง อ, อันนี้ตั้งแต่ครั้งท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ให้ออกประกาศกาศาสนาเข้าบ้านไหนนันแตกบ้านนั่นเนี่สมเด็จ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 คนมีความเห็นผิดได้ฟังคำแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมาอมันเปลี่ยนอย่างนั้นอืธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่ีนี่ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องแถวกลมเกลียวกันพี่น้องกลมเกลียวกันพ่อแม่กลมเกลียวกันลูกหลานกลมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะ มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไเนี้ยจิตมันไม่เหมือนกันแต่คนหนึ่งหยาบคนนึ่งละเอียดเมื่อไปพูดถึงธรรมะแหละคนนึงก็เห็นธรรมะคนหนึ่งไม่เห็นเห็นเป็นพิษเป็นภันี่ฉะนั้นการวุ่นวายถึงเกิดขึ้นมาตลอดทุกวันนี้อาจารมาก็เคยประชิญมาหลายแล้วเรื่องไปตั้งวัดป่าที่ไหนที่ไหนก็ดีครั้งแรกต้องทะเลาะกันบ้านเจ้าของยังทะเลาะกันเดยไม่ใช่หรือ พ่อแม่จะาของกันยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นเนาะเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นเน่ยมันตัดขึ้นมาใช่ไนหะต่างฉะนั้นอาตมาถึงเป็นห่วงลดุจีดุขาไปที่ไหนที่ไหนหละเป็นห่วงมากพราว่าคนยังไม่รู้นะคนยังไม่รู้มันมันเอาจริงๆนะไม่รู้คนไม่รู้จะทาไงความไม่รู้แล้วมันเอาอเหมือนกันกันกบคนอืม คนเรานะ่ะสมัยโบราณการชอบจะเป็นอย่างนี้ชอบพื้ผีกันตามบ้านนอกเรานะ่ะถ้ามีอีกสักคนหนึ่งนะไปทํานาก็รวยหาเงินก็รวยเลยีเ้ยงสัตว์ก็รวยแก่ก็ขยนันถ้ามันรวยขึ้นรวยขึ้นแปลกประหลาดซะแล้วมันต่างคนใน้านนั้นเนี่ยก็มองไปในแง่ผิด อีกถ้าแกค น, นเห็นจะมีของทำนาจะมัง่งเห็นจะมีมนทำไร่จะมัง่งเห็นจะมีมนเลี้ยงสัตว์จะมัง่งเท่าเนี้มันแปลเขาเนี่มันดรวยกว่าเขาเนี่ยนั่ก็ไม่ดูความขยันเขาไม่รู้ความเพียรเา้าเห็นแต่ความร่ำรวยเขเกิดขึ้นมากดูพอเธอทำยังไงมันเป็นปอบละ่ะ <c oughs> เด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นปอบทั้งนั้น ให้เป the ็นปอบก่อนี่คนนึงว่ามันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองว่าปอบเลยเลยตั้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนี่เนี่ยอืออือตั้งเป็นพูนชาวบ้านมันก็ยังเป็นอยู่บ่ตั้งเป็นกำนันก็ยังเป็นบ่ตั้งเป็นประหลาดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นเท่านั้นแหละทําไมมันไม่เป็นเน่ะคนนี้ก็ปอบคนนั้นก็ปอบเลยสางบ้านส้างเมืองก็เป็นปอบเป็นมาเท่านั้น ฆ่ากันแจงกันสารพัดอย่างนี่มันเกิดมาอย่างนี้เพราะเราไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสมมุตินี่แหละมันเป็นน่ะอืมสมมุติขึ้นเป็นเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นขึ้นอย่างนั้นไอ้เป็นผีเป็นปอขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นน่ยการสมมุตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อเราเกิดขึ้นมาว่านายสี ก็เป็นนายสีมาสุขวันนี้ไม่ได้เป็นนายมีหรอกถ้าผู้หญิงก็เรียานางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี้แหละเพราะสมมุติเนี่ยมันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมุติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุในนีีมินั้นการฟังธรรมะ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 ซึงมีต้นไม้ใหญ่ๆคุ้มอยู่เราเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาทีหลังนะไปเห็นปลาไปเห็นเต่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นนี่ยก็นึกว่าน้องนั่นนะมันเข็ดนะดีซาปลากฏกันไปก็บอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดูตระเข้อยากจะดูเต่าเอาหลอกไม้ไป เอาเทียนไปนะขอเจ้าที่เจ้าฐานนั่นน่ะอืให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาให้เห็นเนี่อธิษฐานแต่ก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่หนีนั่งอยู่บนนะ่ะบนครูนั่นบนสะนั่นเจ้าระค่ใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่า น, นั้นเีงเต่าใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานะี่ยนั่นเจ้าที่เจ้าฐานนั่นนั่นท่านเห็นแล้ว เท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทางบ้านทางเมืองเลยคนจะคิดว่าเออมันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นเนะ่ยไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นเอที่มันมีทีดิฟต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้ใส่หรือไม่มันก็ไม่เห็นความจริงมันจ้ะธรรมะนี่ก็มันกันฉันนั้นอนะทุกวันนี้เราอยู่ในธรรมะกระจมันอยู่ในธรรมะอื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 พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พวกเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะพราะธรรมะนั้นให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยินอย่างนี้นี่ให้มันกินธรรมเนี่นยนะแกไปกินข้าวเล ย, ยโดยพูดกระแทกแดกดันไปทั้งข้างทางั้งครัวไปใช่ไหมอความเป็นจริงนั้นท่านในพิจารณาธรรมะ ให้เห็นธรรมะให้มันง่ายให้มันถูกให้มันต้องขึ้นเช่นว่าบ้านเราเนี่ยวัดเนี่ยมันวัดเนี่ยวัดนี้มันเป็นประชา้าได้หลายบ้านทีนี่เมื่ออาจารย์ฤทธิ์มาอยู่ก็เลยมาคิดเอออันนี้มันบ้านพ่อเราบ้านแม่เราเว้ยบ้านญาติเราอควรจะให้ปรับปรุงให้มันสะดวก อะไรต่ออะไรต่างๆเช่นวามาสร้างเมมกันเสียพยายามให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเอามารวมรวมกันนมาเผาทีเดียวกันนี้มันจะได้เป็นมิตรกันมันจะไเป็นญาติกันมันจะเป็นสามัคคีกันเผาที่นี้ก็ไม่ไต้องไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆให้มันวุ่นวายต่อไปก็ทําสาราที่พักศพง่ายๆขึ้นี่ อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับคนบางคนมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอมเนี่ยเช่นว่าแดนนาเราเป็นต้นพ่อแม่ทํำให้คดๆ ง, งอเรี่ยวไปเรี่ยวมาวกไปบนมาเนี่นี่ตาแก่คนหนึ่งเอออย่าทำาทานี่เธอเพื่อนนายมันตัดให้มันตรงเถอะนะไม่เอามันงออย่างเห็มันงออย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะอืมไปทํามันทําไม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 จะได้ทำอย่างนี้จะมารวมรวมที่เดียวกันทำบุญทุนทานที่เดียวกันมันก็สบายอืมไอ้พวกเรามันก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยหามไปโน่นเอาไข่โยนคืนเชิงป่าไม้นึงโยนไปเหอะมันแตกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละอืมต้นไม้ในป่ามันร ก, กหนึ่งแตไปตัดต้นไม้ทิ้งเน่ยเอามันตรงนั้นแหละว่าะเขาจะอยู่ตรงที่อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ประเพณีอันนี้แก้ยากแก้ลำบากลื่เกินให้ญาติรวมถ่ายเอาไปพิจพิจารณาถ้ากว่าบ้านเราทุกบ้านทั้งห้าบ้านหกบ้านเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะได้มาเผากันที่ที่เผาศพ ก, ก็ให้สะอาดพระท่านั่งก็ให้สะอาดทําอะไรก็ให้สอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการทุกวันนี้ต่อไปบ้านเมืองของเรานะี่ยน่ะต้นไม้มันจะน้อยที่มันจะแับแคบ อย่างนี้เป็นต้นเพราะญาติยอมไปหาเห็ดไปหขษพระอะไรตรัวไรวุ่นวายบินประมาณร้อยแปดไร่เดี๋ยวนี้ทำกำแพงรอบหมแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ขา้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวเล้ยวเอารถเอาครอบเอาครัวนั่งไปรถบรรพุกไปที่วัดประพง ไปอยู่สบายไปนั่งสบายไปดูกระแตไปดูกระรอกไปดูไกปา่าไปดูสารพัดอย่างเป็นเหตุหสบายใจเดี๋ยวนี้เราสบายใจเสียแล้วเนี่ยนี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรให้ภาวนาให้ภาวนาให้มันดีเกิดมาถ้าเรามาพิจารณาธรรมะแล้วมันก็รู้เรื่องของมันทุกอย่างอา ะ, ะนั้นการปรับปรุงบ้านเมืองของเรานั่นแ่ะดีมากเช่นพระ พรานนี่แหละตัวสําคัญเหมือนกันเนี่ยผู้มีเจตนาเนี่ยร์ท่านพัฒนาช่วยท่านท่านไม่เอาอะไรอืมท่านไม่เอาอะไรก็ญาติโยมทั้งหลายะท่านตอนเช้ามาท่านกัินจารบาให้เข้าคนตะก้อนในก้อนเน่ยท่านไม่หมดเพอืมท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อทูกคุในบุตรลูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ แต่คนคิดผิดนะ่ะคิดไม่เคยดีคิดไม่เคยถูกอืมให้คิ ด, ด้ยุบให้พิจารณาอาจจะมาเคยผ่านมาหนี่หลายบางทีห้ามกินเหล้าซูดอยู่ในบ้านแย่างนั้นมั่งกรรมาฐานจะ ด, ดีไประเด็นว่าประยสันอันนี้ก็ฉันนั่นมันสันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองอย่างดีแล้วโยมนะทุกทุกคนในพี่นาไปเถอะ ถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงใังเชื่อว่ามันผิดทั้งร0อยเปอร์เซ็นนะให้ดูดูไปก่อนว่าพระจะทายังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะนี่มันนานรู้จักไอความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมนแล้วไม่เชื่อใจองยอมมาและยังไม่เป็นธรรมะมนั่นมันเป็นขโมยในใจนะถ้าเห็นว่าพระจะเป็นขโมย เรามากๆอยู่ในใจคนรก็นึกว่าพระจะมากๆอะไรอันนี้นี่ต้องวัดตัวตัวจะของถึงนั้นไอความจริงๆนั้นอยู่ไปนานๆาทีท่จิจนาณานานแต่ดูเหตุผลดีๆที่อัตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงจถวายที่นี่แกท่านพระครูดูแรศีจารณาให้มันสะดวกให้มันสบาย คุณบุตรลูกหลานที่เขามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนนที่ดีลูกหลานมราจะได้บวชที่นี่อืถ้านานๆาไปนะมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเชียงคำบวชไปจะต้องกินข้าวเย็นเพือยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นในบวชอืาตมาอยากไปถามยโยมทำไมจึงให้พระกินข้าวเย็นเนี่ย อู้ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่เลยนะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวเท่านี้เลไม่ฝันซะแล้วว่าจะทําได้เนี่ยถ้ามันค่อยไปทางจาๆนะ่ะมันเร็วเรื่อเกินอ่ะมันง่า ย, ายไม่ต้องไปสอนมนะันหรอกอะไรอะไไม่ต้องไปสอนมันเอยบวชกินข้าวเย็นกันถึงจะอยู่กินกันเรื่อยๆได้หลายวัดกินเลยต่อไปนะ่ะอื ต่อไปน่ะไม่ได้กินข้าวเย็นใอยู่ดอร์ดูหลานนั่นเลยวต้องกินข้าวเย็นไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานเรากินนี่นี่กานให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานนี้ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นไัเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เรียื่องทางสอนของพระนั่งเสื่อมไปแล้วเราไม่ดูเรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั้นจนึงควนตั้งใจช่วยกันช่วยกันปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันด้วยธรรมะนั้นก็จะสบายยิ่งกว่านี้ง่ายกว่านี้อีกสบายกว่านี้มีความสุขกว่านี้อีอืมนะสีเดนะสุกติยันติสีเดนโะโพก็สัมปะทาสีเดนนะนิพุติงยันติตัตสมาสีรังนิสูไตนี่เอาสิ มีศีลเป็นสุขไหมไม่ไปเบียดเยียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปบุญวายใครมันก็สบายเท่นั้นแหละทำไมมันจะไม่เป็นสุขล่ะ ม, มันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดอเอาเฉยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิษฐพิจารณาให้ใจเรามันยอมรับอืมเช่นว่า อคำที่รื้ซึ่งไปยิ่งกว่านี้เช่นว่าอนิจจังทุกขังอนันตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลูกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไวทไ้ทําไมอนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีเนี่ยฟังไม่ถูกธรรมะมอทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเรานต่มันมีจริงไหมได้ไหม ใครได้อะไรไหมตายไป ไ, ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเรานันได้ไปเยวยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็จริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันไหก็ตามแล้วมันไม่ได้รอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพรานี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเ ก, ก, ก, ก, ก, กิดดุลงมา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 แต่ร่องจะโผล่ว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุดอืมไปหาว่าพุทธเจ้าไม่หยุดวิ่งไปจะไปประหารประหารท่านทําไมพระสมณะโกหกเนี่ยออืมอืมทําไมว่าหยุดแล้วอยู่เดี๋ยวทาไมท่าเดินไปอยู่ล่ะฉันบอกว่าถามว่าอย่างนั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเบียดเยียนสัตว์แล้วการเบียดเยียนมนุษย์แล้ว การเียดเยนอะไรทั้งหลายทั้งหลายในสันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดอืไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคําเท่านี้ภูมินิสัยพระอังคีมานโจรหยุดชนะเอเอหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รีบจักไว้อืมันเห็นแต่มาเดินถึกถึกถไปหยุดเขาเห็นว่าหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอควาเป็นจริงนั่นไหนไอที่มันหยุดในเรื่องจิตมันสําคัญมากเช่นว่าการเกิดตายเหล่านี้เี่ การเกิดตา ย, ยา่การเกิดการตายนี่เราทุกวันเนี่ม้มาเห็นการตายกันนะ่ะทุกวันเนี่ยเห็นแต่ว่าร่างกายที่มันตายไปรวมหายใจไม่มีชื่อว่ามันตายคนทําผิดผิดอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่คือคนตายเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้แล้วคนตายเดินไปก็ได้พูดก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นคนตายเราเนี่ยไม่เห็นแต่ใจมันประมาทอยู่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 มันจะทุกข์ยากวันทําไมพ่อแม่เลี้ยงมาเอาข้าวกับอาหารให้กินมามันอก็โตมาขนาดนี้อาจจะมาวันมันไม่ยากหรอกเกิดแลนะ้ตาย wow. ต t ตตามันนานเกิดแบบนี้ตายแบบนี้มันง่ายไอ้มันตายทุกวันทุกวันวันนี้ตายกี่ผลไม่รู้เรื่องบางทีโกรธคนนั้นตายจากโกรธอันนี้โรคคนนั้นโกรธมันวุ่นมันวายนี่มันตายคณะนี่เอาอันนี้อืขณะนั้นทิ้งอันนั้นวุ่นวายวันหนึ่งตายกี่ผลไม่รู้เรื่อง เราไมาดูเรื่องว่าการเกิดการตายของเราแต่เราเห็นแต่ว่าไอ้คนนอนดับตาไม่มีลมมันตายอย่างนี้อันนี้เรว่าทางจิตคนเรามันมีกายกับจิตเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจิตจริมันเกิดมันตายมันถึงยากลําบากบางวันถึงร้องไห้เลยมันทุกข์มันยากมันลําบากไอ้ที่เกิดทางเดียวตายทางเดียวมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆ ไอ้ที่มันตายทุกวันทุกวันนี้ไวันนี้มันเกิดวันนี้มันตายธารุพัดอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์มันยากมันลาบากมันหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจนี่มันตายเรื่องตายมันไม่ยากหรอกมันง่ายง่ายมันนิดเดียวอืนิดเดียวอืมเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องคนแก่เรื่องคนหนุ่มนี่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเรามาเห็นอะโฟงหงอกแก่แล้วนะ อือย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายนีนเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเด็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งเท่าจนหัวหงอกแล้วก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมป่วยง่ายๆเครียดง่ายๆนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นเยาวชนคนไม่เห็น เห็นมาแ่เราแก่แล้วเฒ่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายดูใจไม่มีหรือเรื่องจิตนี้มันเป็นของสําคัญมากเป็นปรมัตรธรรมฉะ <c oughs> นั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดฉะ <c oughs> นั้นอาตมาจริงเห็นว่าพุทธบริษัทเหล่านี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอนิจังมันไม่เที่ยง ก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใส่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใส่ของเราก็ยังไม่ยอมรับเี่ให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ๆนั่นก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วหนะึ่ง ม, มันจริงอย่อยางนั้นดังะะนั้นธรรมานี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่างแล้วแต่เราไม่เห็นมันท่านเพียงเปลียน ว, ว่าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นน้ํา อย่างนี้ใส่เดือนมันอยู่ในดินกินที้ดินไม่เห็นดิ น, นไมเห็นดิ น, นอันนี้มาถูกอาตมาอีกแหละอาตมาเป็นเด็กๆนะไปพบคนแก่คนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดจะแกไปกินข้าวอยู่เนี่ยอาตมาเป็นหัวล่อไอ้คำข้าวตัวโตใหญ่ยัดเขอไป อัตมาคิดว่าฟันมันดูดใช่แล้วทำข้าวทำไมจริงไม่ทำเด็กเล็กทำไมทำโ ต, ตๆอย่างนั้นนยังไม่รู้จักยังเข้าใจกับคนแกในโรคโมโทสันมากเมื่อมาถึงอัตมาเข้านั่นเมื่อสามสี่ห้าีหลังกลับไปนั่นนะฟันอัตมาดูดออกไม่มีฟันอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าวันเดี๋ยวไปกินข้าวดูนะ เอเอไอ้คำเข้าเดี๋ยเรียกมันได้ไม่ได้หรอกมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทนันคำไม่เห็นเนี่มันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จำเป็นจะต้องเอาคำเข้าอย่ายัดเข้าไป ม, ม, มันเต็มมันถึงเชี่ยวได้อือเราก็เกือบจะตายเลยจึงรู้จักคนแก่คนนั้นบ่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นแต่ลปลาอยู่ในน้ำํำมัเห็นน้ําขี่เซเรือนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงแต่เราเห็นคนแก่อยู่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 เราไม่แก่เราไม่รู้จักคนแก่อไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจึงรู้จักคนแก่เมันเปลนสายอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้พากันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนอ่ามีวัดน้องประโภคสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติคทางแรกมีตาแก่คนนึ่งเนี่ยคนหลงหลายคนนั้นเนี่ย ไอ้มึงไปอืมพวกมึงไปวัดป่ามึงตายก่อนไปเอเวิยามมันตาหมดไม่ถึงกี่เรือนเนี่ยตายได้ธรามาเมียเราไปใช่ไมอือเจกกรเจกอนเนี่ยเล่านั่นพระพุทธเจ้าในสันหามมันมันไปนข้องเบียดเบียนศาสนาไปเราปากกันไปจินเนมันหมดตายก่อนเล่าไม่หมดเดี๋ยวนี้เนี่ย อคือพูดไปเรื่อยไปไม่รู้เรื่องดีเราพ้นสุดจิตายเล่าก็ยังไม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็เอาเมียรเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทําไงล่ะนี่เราพูดกันไปอย่างเนี้ยเราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นมารับธรรมะนะมารับธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันจริงๆริงอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆริงแล้วนั่น เข้านั่นก็จะเข้าถึงสระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงประสงค์อืมเรื่องขินี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะระมัมันนานๆจะมาไปพบคนแก่คนอายุแปดสิบกว่าปีเดินไม่ไปได้ยอมยอมหยุดไปถอดแผลหรือยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรไม่กลัวบาปไม่ใช่ไปทอดแหลไม่ได้เดินไม่ได้ นั่นถึงหยุดกันรยุดแบบนั้นน่ะเราจะหยุดกันยังงั้นเนี่ยหยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าเอออันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยออกมาจังงั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแห่เพราะอะไรเพราะอายุปแปดสิบกว่า ป, ปีไปไม่ได้มันจะล้มตายก็เลยหยุดมันยุดเพราะมันไปไม่ได้ อันนึงยุดเพราะกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นยุดเหมือนกันนะแต่มันต่างกันอันนี้กลัวเหมือนกันฉะนั้นเรายอมรับตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราน่ยจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้นี่ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าธรรมานี่เห็นปัจจุบันนี้ เห็นนารกในปัจจ MM ุบันน yes ี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นปานิพันในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายเพื่ถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอจีตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันาธรรมานะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะคุกทั้งผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตที่้องเป็นอยู่อย่างนี้ เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นในอนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงประกันตระหนักในธรรมะพัะกการไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆนะี่จะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาธารชนทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซนะไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่น แต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไห น, นไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกทุกคนนะให้รับไปพิจารณาจะพึ่งว่ามันผิดหรือจะพึ่งว่ามันถูก เ, เอาไปรับพิจารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมาเนี่หลายหมืน่นหลายแสนคนแลว้ว่า อืมยมอมสิ้นห้าเอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับ <c oughs> ผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนหนึ่ง <c oughs> ผมไม่เอาแล้วครับ <c oughs> ผมทําไม่ได้สองคนมีผลต่างกันไอคนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอคนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียว <c oughs> ผมไม่เอาแล้วครับ <c oughs> ผมไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไอคนนี้ป <c oughs> ิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิดจแนแล้ว ไม่มีวันจะสร้างคนงามความดีขึ้นเลยเพราะก็ไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันไอฉะนั้นการฟังธรรมะนั้ น, นทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากไม้อะไรไม่ต้องปะเดี๋ยวอะไรมันมากนายโยมอันนี้มันผิดเดี๋ยวละละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราก็ประพฤติปฏิบัติตมันทีนี่อย่างฉันตรวจสอบประปาปัสชะอาการณนังกุศลสุภะสัมปธาสกิจตะปริโยตะปนัง การไม่กระทำบาปอะไรเลยทางพวงนั่นแ่ะดีเอตังพุธศาสนางังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าอพุตระสูปสัมปทาทําจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นยงกุศลเอตังพุทธศาสนางังอันนี้เป็นหัวใจ菩萨ศาสนาซาจิตตะประโยชน์ปะนังผลที่สุดนั้นหัวใจเราก็สบาย กำไรที่มนุษย์ทั้งหลายทําแล้วภายหลังคิดมาแล้วเดือดร้อนกำไรนั้นไม่ดีกำไรที่มนุษย์ทั้งหลายทําไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกำไรนั้นสบายสะดวกเลือกรำไนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้ฉะนั้นบาปบุญคุณโทษทั้งหลายนั้นให้มองดูจีใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลา ถ้าราพิจารณาตามธรรมะรับรู้ข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วในรู้ตัวของเจ้าของแล้วพระพุทธเจ้าเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นผิดถูกจ่งอยู่ในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นสาธุเชิญเราทุกคนรีบต้องพยายามรวนที่สุดที่จะเห็นตัวเจ้าของจะพยายามเรื่องของเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเวลาเรามีภาวนาถ้าเรารักภาวนาเราต้องมีเวลา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 ไปรู้อะไรไปเห็นอนไรงต่มันรู้ในใจมันลายในใจไปทำมันเป็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทำไม่ได้หรอกจะไปทำอะไรก็มยไม่ได้จะทำบ้านทำช่องมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราจึงทำเป็นจะทำเรือทำแพมันมีในใจแล้วมันจึงเป็นไม่มีในใจเราทำไม่ได้หรอกทุกอย่างจะทำไปต้องมีในใจทุกอย่างจึงทำได้ให้เข้าใจอย่างนี้เด็กกับเราเข้าใจในธรรมะีลสุดนี้ขอญาติโยมทุกๆคน ได้ฟังแล้วจึงงอมกลับไปเป็นโอปนายอยุกรธรรมนำธรรมะทั้งหลายอันนี้ก็ไปวไมงในที่จิตให้จิตดูจิตให้จิตเป็นคนเห็นให้จิตเป็นคนรู้ให้จิตเป็นคนระให้จิตเป็นคนวางที่มันจะมาต้องการวันนี้ก็คือต้องการจิตใจญาติโ ย, ย, ยมไม่ต้องการอย่างอื่นมากมายอะไรมันก็พอๆ อ, อยู่แล้วน่ะต้องการจิตใจญาติโยมให้หันเหีกยเขามาในทางธรรมะอืม ขององค์สมเด็จพสมาสามพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากอืมฉะนั้นผลสืบสุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงชัางลุกตั้งใจประพฤติดีเลยกลายประพฤติดีเลยวายจ้าประพฤติดีเลยใจเป็นสุปฏิปนันโนอุชุปฏิปนันโนยายาปฏิปนันโนสามีจิปฏิปนันโนให้เอาคุณสมบัติทั้งสีประการ น, นี้อืของสาวก ขององค์สมบิตะสมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาแนบเปในจิตของเจ้าของนั้นจะได้ไม่ เ, เสียชีเกิดมาพบประพุติศาสนาขอญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาระตลอดกาลนานเธอ